ถ้าเห็นตัวกุศลศีลในตนเชื่อว่าเห็นพระธรรมไหมอันนี้เป็นมหาทานไหมเนี่ยเป็นมหาทานข้อไหนข้อสัมมาวาจางแต่ถ้าหากว่ากรณีที่บางคนอาจเจะใครเคยฆ่าไก่ไหมยังแต่เกิดไหมเห็นมแล้วเคยงดเว้นจากการฆ่าได้ไหมเคยมีสภาวะธรรมชนิดหนึ่งที่เคยงดเว้นจากการฆ่า อาจจะเคยฆ่าหนูฆ่ามดฆ่าปัวฆ่าปลาหลายหลายคนเนี่ยเป็นนักฆ่ามาทั้งนั้นเมือเปื้อนเลือดมาแทบทั้งนั้นเลยใช่ไหมล่ะเป็นนักฆ่าทั้งนั้นเลยที่มือในสังสารวัตที่ผ่านมาสังเกตได้ตรงไหนว่าเราเป็นนักฆ่ามาสังเกตดูข้อมือคนที่มีข้อมือเป็นปมเนี่ยอันนี้บ่งบอกเคยจับอาวุธยุทโธปกรณ์ฆ่ามาเยอะในสังสารวัตรเราจึงมีนิ้วไม่งามเห็นไหม นิ้วมือไม่งามนิ้วพระหัตของพระบรมศ า, ศาสดานี่จะกลมเป็นเทียนไม่มีข้อเลยนะจะไม่ปูไม่ปูดออกมาเหมือนนิ้วของสัตว์ทั้งหลายในชั้นคาสอนเ็าบอกว่าสัตว์โลกแม้เทวโลกจงรู้ไว้ว่าท่านผู้นี้หยิบอาวุธยุดโธประกรในการประหัตประหารมามากเมื่อกำนั้นให้ผลเป็นกุศลกรรมแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ กุศลกรรมประเภทนั้นจึงเป็นกุศลกรรมที่ไม่ปราณีเวลาตกแต่งรู ป, ปรกายของสัตว์เหล่านั้นเกิดมาแล้วก็มีข้อมือที่เป็นปมนะเพราะเคยจับอาวุธยุโทโธปกรณ์ในการประหารประหารมาฉะนั้นสัตว์โลกทั้งหลายส่วนใหญ่ล้วนจะเป็นนักฆ่ามาทั้งนั้นน่ากลัวไหมล่ะเพราะนี่แหละเพราะเราไม่ได้มีศีลกันอย่างแท้จริงนี่แหละเคยคิดไหมว่าเราแท้ที่จริงเราคือคนโหดมา อันนี้เวลาพูดออกมาก็ต้องมองตรงนะว่าสถานการณ์นะพูดวันที่ใกล้เท้ายนี้แสดงว่าใจสงบบ้างแล้วถึงกล้าพูดดังนั้นไม่กล้าพูดคํานี้นะจะมาอยู่ๆว่าท่านทั้งหลายนั่งๆอยู่คือนักฆ่าตัวจริงที่พูดอย่างนี้เนีว่าเสียวไหมว่าเสียวที่ผู้พูดตะอายุแล้วนี่มาอยู่ๆคุณเป็นใครคุณมาเชียร์ก็บอกพระเจ้าบอกไว้บอกที่ไหนคุณเอาหลักฐานมามาก็ต้องบอกว่านี่ไปเปิดในทีคณิกายปฏิกหัก ไปดูในไปดูในมหาปุริสระคณาสูตรพุทธเจ้ากล่าวว่าพระเจ้าไม่เคยทําแบบนี้มาฉะนั้นพระเจ้าจึงมีนิ้วประหัตนิ้วประหัตเนี่ยนิ้วมืองามมากกลมอย่างกระแท่งเทียนเลยอย่าซนลอยดูซิดูนิ้วมือสิที่ข้อมือเนะ่ปูดเป็นปมไหมเ <c oughs> นี่ยเจอหน้าค่าตัวจริงแล้วอำงานยังกว่า เหตุผลที่เรามีรู ป, ปากายที่นิ้วมือเป็นข้อเป็นปมเพราะกุศลที่แต่งอัตภาพทำให้เราเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นกุศลที่ไม่ละเอียดเป็นกุศลที่ยังมีปานาติบาเป็นอุปนิสยปัจจัยเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนจึงเป็นปัจโฟกรรมในอดีต เหตในอดีตจึงฟ้องว่าเมื่อคุณไปเกิดเป็นมนุษย์คุณก็จะมือข้อนิ้วมือที่มีปมปูดขึ้นมาเป็นข้อข้อเพราะคุณเคยจับอาวุธยุธโทโธปกรณ์นเนี่ยไปฆ่าไปเข็นไปฆ่าอันนี้ก็ดูจากคําสอนทตนี้พอมองอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วต่อไปเนี่ยเราจะงดเว้นจากการฆ่าได้หรือยังตรงนี้ถึงบอกว่าพิสูจทั้งหลายอริยาสาวกงดเว้นจาก การฆ่าคืองดเว้นจากการปฏิบาตชื่อว่าให้ความไม่มีภัยฉะนั้นเวลาคิดเอางี้เมื่อเราคิดถึงบุคคลอื่นทุกความคิดที่คิดถึงคนอื่นคิดถึงสัตว์อื่นเราให้ความรู้สึกคิดงดเว้นจากการฆ่าไปด้วยกับความคิดทุกครั้งไหมหรือเราคิดธรรมดาให้นึกดีนะเช่นเราจะคิดถึงลูก เราจะคิดถึงบุตรภรรยาคิดถึงเพื่อนหรือคิดถึงใครก็แล้วแต่หรือจะไปดูโทรทัศน์ที่คนยังติดหนังติดละครอยู่เนี่ยไปคิดเนี่ยเราเคยเอาจิตที่งดเว้นจากการฆ่าไปด้วยไหมไปกับความคิดไหมไปหรือไม่ไปหรือคิดแค่เอาเรื่องราวถ้าเราจะโทรศัพท์ถึงใครเนี่ยเราคิดสีนข้อแรกก่อนเลยไหมเนี่ยแสดงว่าผิดพลาด แสดงกุศลศีลไม่ได้เกิดจริงนี่ตอนที่เราคุยกับบุคคลอื่นอยู่ตอนนั้นกําสัตว์อื่นบุคคลอื่นที่เราคุยหรือสนทนาอยู่เขามีชีวิตไหมนั่นเราไม่ได้คิดเรายังเราไม่เราเร า, เรายังผูกเวรอยู่นี่เรายังมีเงื่อนไขต่อการพูดอยู่นั้นเนี่ยเพราะเราไม่ได้สมาทานว่าเราจักจักอะไรเรา เราจากไม่เบียดเบียนเราจะไม่คิดกระทำปานาติบาตกัท่านผู้นี้โดยมากคิดถึงคนอื่นง่ายหรือไม่ง่ายง่ายหรือไม่ง่ายแต่จะให้กุศลศีลไปกับความคิดกุศลศีลข้อแรกไปกับความคิดง่ายหรือยากง่ายหรือยากเอาลองคิดดังๆให้ดูเถอะคิดถึงมันดังๆออกมาที่มันเป็นศีลได้จริงไหม เอายอมสารวยเนยงคิดถึงออามาให้เป็นศีลที่คิดยังไงให้เป็นศีลข้อแรกคิดยังไงอ่ะคิดดังๆออกมาที่อายิ่มันผ่านปากมาใ ห, ใ, หให้คนทั่วไปได้ยินจะได้รู้ว่าตอนนี้กุศลศีลเกิดได้ยิงคิดไม่อยากจะไปเบียเบียน่ใครจก้าเ่กคิดไม่ตกันแล้วแต่ามา นนกนน็ดีนะเธอก็ได้ตั้งใจนะเนี่นแต่ถ้าจะให้กระชับลงไปก็เมื่อเรากำลังจะสนทนาหรือคิดถึงบุคคลอื่นอย่าไปแค่ความคิดตัวขอให้ตัวกุศลศีลคือจิตที่คิดไม่ฆ่าและคิดที่จะไม่เบียดเบียนคิดไม่มีเวรภัยเกิดขึ้นด้วยและคิดให้เขามีความสุขให้มีความรัก ค, ความปรารถนาดีความเอื้อทอนเกิดขึ้น ทำเมตตาแท้ๆเกิดขึ้นรู้สึกจะยากไหมการเจริญแบบนี้ยากไหมยากยากเลยมันมันไกลตัวป่ะเนี่ยฮะก็นี่ไงพุทธพธสั่งมาอย่างเงี้ยพระเจ้าสั่งให้ทำแบบนี้ยอามาพยายามอามาพยายามอ้างพุทธพธนี้ยเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าเอามานี่ไปเอาที่ไหนมา แล้วเอาอีกข้อหนึ่งนะอีกประการหนึ่งภิกษุทั้งหลายระยสาวกละอาทินนาทานคําว่าอาทินนาทานแปลว่าอะไรจิตที่คิดจะคิดที่คิดจะเอาสมบัติของค น, คนอื่นมาเป็นของตนด้วยการเห็นขโมยเนี่ยละละนี่แปลว่างดเว้นแปลว่าละขาด น, นะงดเว้นไม่ใช่ละอย่างเดียวนะเจตนาตั้งใจด้วย แล้วก็งดเว้นด้วยจากอธินาทานด้วยงดเว้นด้วยพิกูุนทั้งหลายอริยสาวกที่งดเว้นจากอธินาทานชื่อว่าให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนแกสัตว์อันหาประมาณนี้ได้ไม่ใช่ไม่ใช่งดเว้น ที่เราจะไม่ไม่ลักหรือไม่คิดเอาทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาเป็นของตนเพียงแค่คนเดียวนะท่านใช้คําว่าหาประมาณนี้ได้ถามว่าสัตว์ทั้งหลายในจักรวาลในโลกนี้หาประมาณนี้ได้ไหมเราเคยคิดให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินเขาไหมนอกจากเจตนาเราจะไม่ลักของใครไม่ใช่แค่นั้นแล้วใช่ไหมไม่ใช่แล้วท่านใช้คําว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกละ อธินาทานงดเว้นจากอธินาทานทีนี้งดเว้นจากอธินาทานเนี่ยนะชื่อว่าให้ความไม่มีภยัยให้ความไม่มีเวนให้และความไม่เบียดเบียนแกสัตว์ทั้งหลายหาประมาณมิได้ก็แปลว่าเวลาจะตั้งอัธยาไสาหรือตั้งเจตนาเนี่ยบอกว่าทรัพย์สมบัตินะอย่างมายกตัวอยาว่างทรัพย์สมบัติของโยมสํารวยนะ อากมาจ ะ, จะเจริญศีลข้อนี้ดังๆให้โยมฟังเนะ้ทรัพย์สมบัติของโยมสมรวยไม่ว่าจะเป็นบ้านทรงไทยไม่ว่าจะเป็นที่ดินไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนนาฬิกาทรัพสมบัติทั้งหมดที่มีอยู่จงเป็นของโยมสมรวยเถิดข้าพเจ้าหรือเราจะไม่คิดจกไม่คิดน้อมเอาทรัพย์ ของโยมสารวยเนี่ยมาเป็นของตนเลยและขอให้โยมสารวยเนี่ยจงเป็นผู้มีความสุขใช้ทรัพย์ทำความดีเจริญกุศลเป็นไปตามอัธภาพของตนเห็นไหมพอพิจารณาในลักษณะอย่างนี้เบเสร็จแล้วก็บอกว่ามไม่ใช่เฉพาะโยมสารวยเท่านั้นสัตว์ทั้งหลายแม้ในจักรวาลที่มีทรัพย์สมบัติของตนเอง ก็จงเป็นผู้ปลอดภัยจากการที่มีทรัพย์สมบัติอยู่กับทรัพย์สมบัติของตนเองอาตมาจะไม่คิดจะว่าแต่ไปรักเลยแม้จิตที่คิดจะน้อมเอาทรัพย์เหล่านั้นมาเป็นของตนก็จะไม่เกิดขึ้นแถมยังมีความรู้สึกว่าขอให้สัตว์เหล่านั้นจงเป็นผู้มีความสุขอยู่กับทรัพย์ของตนเองตลอดกาลและตลอดไปนี่ยอันนี้เวลาคิดเบส็คเหล่านี้หนึ่งชีวิต ก็กระทบกับชีวิตทุกชีวิตอันนี้ชื่อว่าให้ความไม่มีเวรให้ความไม่มีให้ความไม่มีภยัยอะไรนะให้ความไม่เบียดเบียนแล้วเนี่ยถามว่าที่เบียดเบียนจริงๆใช่จิตไหมที่คิดเบียดเบียนเราเคยเจริญศีลแบบนี้ไหมไม่เคยเจริญเลยถามว่าถ้าอย่างนี้เป็นกรรมฐานไหมเป็นไม่เป็นเป็นอะไรเนี่ย เป็นสีลานุสติด้วยใช่ไหมล่ะถามว่าทำไมต้องเจริญศีลขอ้อนี้เห็นบ้านหลังนี้แล้วคิดอยากได้เป็นไปได้ไหมถ้าเราไม่ไม่ฝึกไม่ฝึกน้อมแบบนี้ใจคิดอยากได้นะบางคนโอ้โหชอบเหลือเกินนี่เห็นไหใจเริ่มแล้วโลภะเกิดแล้วเพราะเราไม่ได้เจริญในการสละ อันนี้ทรัพย์ของเขาจงของเขาเถอะเราจะไม่คิดเอาทรัพย์สมบัติของโยมนี่มาเป็นของตนอย่าว่าจะรักนะแม้คิดยังไม่คิดเลยเอาทําไมต้องเจริญขนาดนั้นถามว่ากิเลสสามารถจะเอาพัดลมยินดีในพัดลมได้ไหมยินดีในเสา ง, งามๆนี้ได้ไหมยินดีในกระดานได้ไหมยินดีในแก้วแหวนนาฬิกาเป็นต้นได้ไหม ฉะนั้นจึงต้องสละแล้วก็น้อมว่าจะไม่ให้เกิดวาความโลภจะไม่เกิดความยินดีจะไม่ให้เกิดความกำหนัดเกิดความเพลิดเพลินในทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่ถ้าลักษณะอย่างนี้กุศลศีลแข็งแรงไหมเนี่ยกุศลศีลไม่ได้เลยค่ะจางฮะชอบไมาา่ได<ะ>้นึกชอบตาหูเท้เา ชอบชอบแล้วเป็นยังไงถ้าชอบสมมตินะนะสมมตินะอ้าถ้ า, ามาบอกว่าบ้านหลังนี้สวยมากและในขณะเดียวกันอามาก็น้อมบ้านหลังนี้จงเป็นของอาตมาเธอคิดอย่างนี้นะอันนี้สำเร็จแล้วเป็นมนโนกรรมและเป็นทุจริตครบกรรมมาบทด้วยกรรมที่อาตมาคิดเพียงแค่นี้ยังไม่ได้ทำเลยนะ ยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ไปพูดขอเลยนะแค่น้อมแบบนี้อะความเพียรพยายามที่คิดอย่างนี้เกิดสำเร็จผลออกมาปุ๊บกรรมเหล่านี้สำเร็จกรรมเหล่านี้ถ้าสำเร็จถ้าให้ผลในปฏิสนธิการจะทำให้มาตกอบายทุกติวิบัติ้นลกถ้ามาเป็นมนุษย์อามาจะวิบัติพรซับอยู่ร่าไปน่ากลัวไหมล่ะทำไมต้องเจริญศีลกันแบบนี้แลยัง ยังอ่ะนะมาด้วยเด็กด้วยไม่ไหววะไปเถอะที่ต้องดูแลย่งนี้เป็นไงอ๋อเขาน้อมให้เราทำบุญเขาไม่ได้น้อมเขาไม่ได้น้อมเอาตัวได้คดตัวเองเนี่ยถ้าสมมติเขาบอกว่าให้อัตมาเถอะอัตมาอยากได้เล็กโกนไอ้นี้เป็นนะอ้นี้เป็นน้อมเอาเป็นของตนนะ ถ้าอยอมสํารวยถวายวัดที่จะได้บุญเยอะๆแล้วก็พูดด้วยกุศลและจิตจริงๆอันนั้นส่งเสริมให้เราจเจริญกุศลนะส่งเสริมเราไปเจริญก็ดูด้วยนะี้ทั้งหมดเหล่านี้ต้องรู้ด้วยว่าสภาพของโลภภาพเป็นยังไงด้วยนะี้เชื่อไหมคนที่ไม่รู้จักบาปคนไม่รู้จักบาปเนี่ยก็ทําบาปทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่รู้ว่าเป็นบาปจะไม่รู้ได้ยังไงแค่เนี้ยเป็นบาปเนี่ยอา้าทีนี้คิดไหม ออกมาเห็นบ้านหลังนี้ปุ๊บนึกไม่พอใจเลยขอให้พินาฏเถดถามว่าคิดอย่างนี้อันนี้เป็นอะไรเป็นพยาบาทมโนโทุจริตนี่ครบองค์กรรมอบอดได้ยังครบแล้วกรรมเหล่านี้ให้ผลจะทำไงลงอบายทุกตินีบาตรนรกถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็อ น, นั่นแหละมีทรัพมาก็ทิีบท่บัติ พอไฟบ้างพอน้ำบ้างพอลมบ้างพอแผ่นดินไหวบ้างอยู่เลื่อยอย่างงั้นน่ะน่ากลัวไหมล่ะนี่ไงเวลากรรมมันให้ผลมันจะมาอย่างนี้แหละล้วคนที่คิดแบบนี้มีเยอะไหมไม่มากนะครับท้าวเจ้าพิธีเดชมีไม่มีได้ไงล่ะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าจะกล่าวไว้เลยใช่ไหมล่ะเห็นไหมว่าทั้งหมดเนี่ยตัวกุศลศีลจริงๆเ่ย จุดใหญ่จริงๆอยู่ที่กายวาจารหรืออยู่ที่ใ จ, จๆๆเห็นไหยใจต้องเข้าใจเรื่องศีลก่อนถึงจะสามารถคอนโทรลหรือควบคุมกายกับวาจาได้ถึงจะจัดเป็นชั้นของกุศลศีลจริงๆเ <ๆ S 2> วลาเจริญกุศลศีลพระพุทธเจ้าบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเนี่ยอีกประการหนึ่งอริยาสาวกละอาทินนาทานโกฎเว้นจากอาทินนาทานเนี่ยก็หมายความบอกว่า นี้ชื่อว่าให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวีนความไม่เบียดเวียนแก่สัตว์ทั้งหลายหาประมาณนี้ได้อันนี้แปลว่าเราไม่ใช่จะงดเว้นจากการลักทรัพย์สมบัติของคนคนเดียวเท่านั้นแล้วก็ต้องน้อมจิต ด, ด้วยว่าทรัพย์สมบัติของสัตว์ทั้งหลายในจักรวาลทั้งสิ้นเราก็ไม่น้อมเอามาเป็นของตนด้วยเมื่อเราไม่น้อมเอาทรัพย์สมบัติของใครของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมาเป็นของตนเองแล้วชื่อว่าชื่อว่าอะไร ให้อะไรให้ความไม่มีภัยใช่ไหมให้ความไม่มีเวรใช่ไหมอันนี้ว่าไม่มีความเบียดเบียนแก่สัตว์ทั้งหลายหาประมาณไม่ได้ถ้าเราคิดน้อมเอาทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นมาเป็นของตนเองนะหรือกระทําวิธีการต่างๆพูดเพื่อต้องการทรัพย์สมบัติของตนเองของคนอื่นมาเป็นของตนเองคิดเนี่ย เพื่อให้ทรัพย์สมบัติของสัตว์อื่นมาเป็นของตนเองอันนี้ชื่อว่าเป็นสร้างสร้างเวนสร้างภัยหรยือยังชื่อว่า เ, เาบียดเบียนเขาหรือยังเบียดเบียนแล้วแปลกไหมเล่าบางคนมีทรัพย์สมบัติในปัจจุบันนะเพราะพอมีแล้วลูกแย่งกันให้กราดหมดเลยจ่ว่าแต่ลูกแย่งเลยคนอื่นก็จะแย่งอยู่นั่นแหละสารพัดล้วมีเวนมีภัยตลอดสังเกตดูไหมเราเป็นผู้เห็นไหม ผลจากการที่บอกว่าคันให้ความไม่มีภยัยคั้นให้ความไม่มีเวรคั้นให้ความไม่เบียดเบียนแก่สาธาประมาณไม่ได้แล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความเป็นผู้ไม่มีภยัยความเป็นผู้ไม่มีเวรความเป็นผู้ไม่เบียดเบียนแกส่สาทั้งหลายหาประมาณไม่ได้แต่ว่าเป็นกุศลอย่างมหาศาลไหมเป็นมหาฐานไหมกุศลอย่างยิ่งใหญ่เหล่านี้จะเป็นปัจจัยเกื้อหนุน ถามว่าทําไมคนบางคนจึงมีทรัพย์เพิ่มพูนหาประมาณไม่ได้เมื่อมีทรัพย์น่ะก็ไม่วิบัติด้วยไฟบ้างด้วยน้ําบ้างได้ลมบ้างด้วยโจรบ้างด้วยพระราชาลิบไปบ้างเพราะอะไรอ่อเพราะหนอดีตกุศลศีลข้อนี้ดีหรือไม่ดีเพราะกุศลศีลข้อที่สองเขาดี เขาจึงพ้นจากความไม่มีเวรความไม่มีภัยความไม่เบียดเบียนแกสัตว์ทั้งหลายหาประมาณนี้ได้เพราะเขาเจริญแบบนี้มาปัจจุบันนะเพราะพอมีทรัพย์เนี่ยทิ้งเป็นเดือนเป็นปีก็ไม่มีคนเอาอันเดียดนี้ลองทิ้งไปสิเนี่ยทิ้งไม่ได้ไหมล่ะบุญบุญเขายิ่งใหญ่อะ่ะเราดูตัวอย่างนะถ้าสมมุติว่าเออทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พอเราได้ยินงี้ไปเสร็จถามว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อรู้ว่าเป็นทรัพย์สินของพระเจ้าเป็นดินแล้วเนี่ยก็เห็นปุ๊บเนี่ยเรามีความรู้สึกชื่นชมหรืออยากจะได้มาเป็นของเราเห็นไหมเนี่ยคนที่ก็เจริญกุศลสินข้อสองมาดีเนี่ยพอฟังปุ๊บแค่นี้เราโอ้โหยังแถมอยากจะเอาพื้นเป็นดินไปถวายอีกเดีวยวํำเป็งใช่ไหมล่ะ นี่คนที่เขาเจริญกุศลศีลข้อสองว่าดีเนี่ยมีแต่คนอยากจะให้ไปที่ไหนอะท่านถ้าเป็นพระหรือถ้าเป็นาว่เนี่ยช่วยรับที่ตรงนี้ไปหน่อยได้ไหมเนี่ยอยากจะให้เหลือเกินคนบางคนเนี่ยโหอย่าว่าแต่นั่นเลยเหนื่อยแทบตายกว่าจะได้ที่สักบัวเดียวเนี่ยโหดิ้นแทบตายเนี่ยในชีวิตเนี่ยเพราะเพราะกุศลศีลข้อสองเนี่ยไม่ดีเนี่ยมหาทานข้อสองเนี่ยไม่ดีเข้าใจอย่างเดี๋ยวนี้ได้มาก็รักษายากแสนเข็น โอ้โหพอได้ที่มาสักที่หนึ่งลูกแย่งกันให้กลัดเลยอย่าว่าแต่ลูกหลานก็พออยากได้ด้วยเอเบอร์คนอื่นก็จะคอยแย่งชิงเอาอีกมีแต่คนคิดเบียดเบียนตลอดเวลาเลยเนี่ยโอ้โหโทษของกุศลศีลที่ไม่ดีเนี่ยน่าจะปวดหลายอย่างนเนี่ยนะและการต่อมาถ้าเรามองถึงตัวกุศลศีลข้อที่สองเนี่ยจะเห็นชัดพระพุทธเจ้าบอกว่าผลของกุศลศีลข้อที่สองนี่นะ ผลของการที่บอกไม่รักทรัพย์เนี่ยจะได้อะไรเป็นผู้มีทรัพย์และข้าวเปลือกเป็นต้นนำมากก็คือคำว่าข้าวเปลือกนี่ก็คือทรัพย์ทั้งหมดนะแก้วแหวนเงินทองเป็ต้นเป็นผู้มีโภคาอนเนกอันนันเนี่ถ้าคนที่มีศีลข้อที่สองดีนี่นะเป็นผู้มีโภคาที่ยั่งยืนและต้องการได้โพคาตามที่ต้องการอย่างฉับพลัน แเออท่าพระเจ้ามหาสุทัศนาเนี่ยเวลาท่านดําริว่าเออดาริว่าอยากจะได้ปราสาทเนี่ยปราสาทก็เกิดขึ้นให้เลยเนี่ยเอางี้เราเราลองลอ ง, ลองทดลองบุญข้อที่สองเราจะเลื่อศีลข้อนี้มาดีหรือเปล่าแล้วกระฐานกุศลมาดีหรือเปล่าเนี่ ย, ยสังเกต ด, ดูได้เอาเคยคิดออาคิดอยากจะได้ที่สักดดห้าส<ห>ิบไร่ดูที่โอ้หบางคนคิดทั้งชีวิตนะว่าจะได้ใช่ไหมล่ะ เนี่ยแต่ถ้าคนที่ผลของทานของศีลมหาทานข้อที่สองดีเนี่ยคิดเรื่องที่เรื่องทรัพย์เนี่ยคิดป๊อปก็ได้แล้วแล้วหาทรัพย์ไม่เหนื่อยเลยชาติเนี้ยเขามองอะไรเขาไม่เห็นนะแต่เรามองอะไรเห็นเป็นทรัพย์หมดเลยบางคนสังเกตดูที่มองบนอากาศเขายังมองเป็นทรัพย์สินได้เลยเห็นไหมเนี่ยไอ้อากาศนในอากาศเนี่ยเขาสามารถที่จะเชื่อมสายโทรศัพท์หรือทําระบบโทรศัพท์เนี่ยนะมันวิ่งไปตามคลื่นได้เนี่ยนะ ดูสิเขายังได้เงินได้ท้องหลังไหลามาได้ดูสิเนี่ยคนที่มันมันทานกุศลในอดีต ด, ดีเนี่ยเขามองอะไรเป็นทรัพย์เป็นมองมองไปในใต้ดินเขาก็ทําทรัพย์ทําทําเงินทําทองได้นเนี่ยไอเราก็เดินเหยียบดินทุกวันนี่แหละแต่ไม่เคยได้ทรัพย์มาจากดินเลยเขาใอย่างทีนี้ถ้าโทษละ่ะของการที่เราคิดแล้วก็เคยกระทําอธินาทานมาเยอะเป็นยังไง ถ้ากระทำอธินาทานมามากเนี่ยผลของเขาก็คือเป็นคนมีทรัพย์น้อยแล้วก็ยากจนสองอดอยากที่พวกเราถึงไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมไม่ได้สมไม่ได้สมบัติตามที่ต้องการเคยผิดหวังไหมผิดหวังไหมประการต่อมาก็คือว่ามีลงทุนกับพังคือไปลงทุนอะไรกับเขานี่นะ พอลงทุนไปลงทุนมาแป๊บเดียวแล้วบางที่เพื่อนเขาลงทุนเขาได้กําไรอย่าเอาเราไปหุ้นนะหุ้นจะพังเลยเนี่ยนี่โทษของอธินาทานมันให้ผลขนาดนี้เนะี่ยเพราะเราเคยคิดยกตัวอย่างเช่นมันไม่ใช่ไปรักอย่างเดียวนะมันคิดก่อนเยอะเลยในะเจตนากรรมที่คิดเนี่ยมันเป็นอาคุศสละรารรมอย่างรุนแรงเลยนะเราจะทํายังไงที่จะรักทรัพย์สมบัติของเขาได้ เอ้ยทรัพย์คงนั้นจงเป็นของเราเถิดทำไมต้องไปเป็นของคนนั้นด้วยอายการคิดลักษณะนี้โอ้โหวิบัติมากเลยเนี่ยอเจตนาที่คิดคิดคิดคิ ด, ค, ดคิดไปเนี่ยขนาดยังไม่ล่วงยังไม่ทำการลักยังมีผลบาปมากขนาดนั้นถ้ารับยิ่งไปทำได้แล้วเนี่ยโอ้โหหนักหนาสหัสการเลยแล้วก็มีทรัพย์ก็พินาศ บางทีก็ไฟไหม้น้ําท่วมลมพัดเนี่ยพินาฏหมดเลยแล้วก็อยู่อย่างไม่สุขสบายไม่มีกินเป็นนิดเลยแล้วเกิดมาก็ยศถาบรรดาศักดิ์ก็ต่ำใจ ร, รู้ตรงนี้ก็อันนี้ผลอีกข้อหนึ่งพระพุทธเจ้าตราัสบอกว่าอริยะสาวกและกาเมสุมิชฌาจาร์งดเว้นจากกาเมสุมิชฌาจารเว้นขาจากกาเมสุมิชฌาจารนี่ยดูก่อนจิตรสูทั้งหลายอริยะสาวกคูง้งดเว้นจาก ความเอศมิชาจารย์ชื่อว่าให้ความไม่มีภัยความไม่มีเวรความไม่เบียดเบียนแก่สัตว์ตั้งหลายหาประมาณมิได้เอาวิธีละละยังไงอ่ะคู่ของเขาคู่ครองของเขาจงเป็นของเขาใช่ไหมล่ะหรือสามีของเขาก็จงเป็นของเขาเธ อ, อธเราจะไม่คิดทากบุตร ภาคสามีหรือภรรยาของเขามาเป็นของตนและจะไม่คิดกระทำบุตรภรรยาสามีเป็นต้นเหล่านั้นมาเป็นของตนและขอให้เขาจงมีความสุขมีความรักมีความปลองดองมีความสมหวัง ก, การอยู่ในคู่ของตนเอง และไม่ใช่แต่เฉพาะคู่ครองผู้นี้เท่านั้นแม้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่กันเป็นคู่ทั้งหลายก็จงเป็นผู้มีความสุขกับคู่ครองของตนเองแล้วก็จเจริญความสุขความดีในคู่ครองของตนเองตลอดการและตลอดไปเถิดเราเคยคิดสิ่ข้อนี้แบบนี้ไหมถ้าไม่คิดถ้าการคิดในลักษณะอย่างเนี้ยย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งความไม่มีภยัยความไม่มีเวียนความไม่เบียดเ บ, ยบียนหาประมาณมิได้ ดูก่อนพิกเซทั้งหลายนี้ก็เป็นมหาทานข้อที่สามนี้ก็เป็นห่วงบุญห่วงกุศลประการที่ประการที่หกประการที่หกนี่เป็นห่วงบุญห่วงกุศลประการต่อมาคืออริยส า, าวกนะละมูสาวาตเว้นขาดจากมูสาวาตนี้เป็นมหาทานข้อที่ ข้อที่สี่นั่นแหละแต่ก็อยู่ในข้อที่เจดเมื่อนับห่วงบุญห่วงกุศลใช่ไหมเราแล้วถ้ามองอย่างนี้ถามว่าตามเมสุมิชชาจาร์เนทำให้ได้อะไรทั้งวดเว้นนี่ยทำไม่ได้อะไรความเป็นผู้ปราศจากฆ่าศึกด้วยนะฆ่าศึกศัตรูด้วยนอนหลับก็สบายตื่นก็สบายได้นพ้นจากภัยในอบภูมิด้วยแล้วก็คือไม่ต้องไปเกิดเป็นกระเทยไม่ต้องเกิดเป็นหญิงด้วย ออถ้าเรามาองว่าผลของการเกิดเป็นหญิงเป็นผลของอะไรผทของการเมศพิจารย์นะนิยมสํารวยเขาใจว่าการเกิดเป็นหญิงเนี่เป็นผลของอะไรพิสินข้อไหนมาข้อไหนพิสินข้อสามเดี๋ยวต้องอธิบายในะตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีปัญหาเยอะเนี่ยมามองตาพวกเราแ ล, แล้วรู้เลย <c oughs> เพราะที่พวกเดียวมาก็มองมีมผู้ชายกี่คนเนี่ยมองแทบไม่มีเพื่อนเลยทีนี้ต้องเข้าใจว่าคุณธรรมปัจจัยที่ทำให้เกิดเป็นหญิงก็ดีเนี่ยถ้าเป็นหญิงกับเป็นกระเทยเนี่ยใครกรมอันไหนมาก่อนมาหลังกมอันไหนมาก่อนมาหลังถ้ากรเมมสุวิชาจารย์ให้ผลเนี่ยให้ผลเนี่ยให้ความเป็นหญิงนะ แต่ถ้ากรรมนั้นค่อยๆจะหมดไปนะ่็ได้อยู่ในอัตภาพของความเมกระเถยดนะนั่นแต่ว่าเขาจะเริ่มจะเปลี่ยนจากหญิงเขาจะเป็นชายเดิม อ, อ, อีกใหม่นะแต่นี่เดี๋ยวทําความเข้าใจก่อนนะเดี๋ยวเราจะเข้าใจผิดคือในสังสารวัตนี่นะเราเคยเกิดเป็นชายเคยเกิดเป็นหญิงมาอย่างมากมายหาประมาณไม่ได้ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อน ถ้าฉันทวิริยะจิตตาปัญญาของเราเนี่ยในการให้ทานในการรักษาศีลอ่อนแอเมื่อไหร่ถ้าเราไปล่วงละเมิดสิกขาบทเกี่ยวกับในเรื่องของศีลข้อสามเมื่อไหร่ในสังสารวัตฏถ้ากรรมนั้นให้ผลเมื่อไหร่กรรมนั้นถ้าให้ผลในปฏิสนธิการจะทําให้เกิดเป็นหญิงฉะนั้นและคนที่เกิดเป็นชายก็อย่าพึงนิ่งนอนใจ เพราะแสดงว่าอากุศลกรรมประเภทการเมศสุมิชฌาจารเนี่ยเขาตามมาไม่ทันในขณะปฏิสนธิการเพ้อเพอถ้ากรรมประเภทการเมศสุมิชฌาจาร์เขาตามมาในประวัติการทำทันนี่นะเขาก็จะให้ผลทําให้เปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจวิปลิตกลายเป็นความคิดเพื่ออยากเป็นหญิงต่อไปดูสิมันรุนแรงขนาดนี้กรรมเนี่ยบางคนเนี่ยมาส่งผลตอนอายุสิบห้า อายุเจ็ดขวบสิบห้าบางคนก็ยี่สิบบางคนก็สามสิบบางคนก็สีิบบางคนก็ห้าสิบบางคนหนักไปกว่านั้นนะอายุแปดสิบนะเอาศิลปกรรมประเภทกรรมเมียสมิชฌาจารย์ไม่ให้ผลไม่อยากเป็นผู้หญิงตอนอายุแปดสิบน่าเกลียดไหมน่าเกลียดไหมอ่ะมันมีจริงๆบางคนมาให้ผลตอนอายุเก้าสิบกรรมนี่มันไม่เคยปานีใครหรอกเวลามันได้จังหวะได้โอกาส แปลว่าถ้าเราไปเปิดช่องด้วยแล้วกรรมนั้นได้จังหวะโอกาสเมื่อไหร่ด้วยมันก็ตามผลิตวิบากมันแล้วก็ให้ผลทําให้ความคิดวิปริตแต่ว่ า, วาท่านพวกนั้นจะกล้าเปิดเผยตัวเองหรือไม่อ้ <c oughs> นี้แหละเห็นไหมทุกวันนี้พอสภาพสังคมไปเปิดว่าเออเป็นไม่เป็นไรขออย่าเป็นคนชั่วนี่นะโอ้โหเปิดเผยกันเป็นแถวเป็นแนวเลยตอนนี้ สักคู่พูดว่าไงเราจะได้ชัดเจนว่าจริงๆแล้วในสังสารวัตรนั้นน่ะถ้าใครพลาดก็เป็นหญิงแต่ก็ยังเป็นมนุษย์อยู่ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแต่พลาดกว่านั้นกายจะตกนรกมันทุกคนเป็นอย่างนี้มีโอกาสพลาดด้วยกันทั้งนั้นฉะนั้นสลับกันไปมาไม่รู้กี่ล้านล้านรอบแล้วเพียงแต่ใครจะสามารถยกคุณธรรมตนเองให้เด่น แล้วไม่ปล่อยให้บาปประเภทนั้นมาตามให้ผลและไม่ทําใหม่สําคัญที่สุดเนี่ยเราจะไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทข้อที่สามจะไม่ทําการมมีสุมิชาจาร์เป็นต้นไอ้ตรงเนี้ยถ้าเราไปเผอเมื่ไรนะกรรมนี้ให้ผลเมื่อไหร่ถ้าให้ผลสมมุติทําปัจจุบันนะพบนี้ถ้ากรรมนั้นเป็นทิฏฐาธรรมเวทนิยะทาปัจจุบันให้ผลในปัจจุบันเปลี่ยนรูปในปัจจุบันได้ไหม ถ้านในสมัยครามพุธการเนี่ยเห็นชัดโสเรยาเนี่ยใช่ไหมไปเห็นพระมหากระเจียนะพอท่านเห็นปุ๊กท่านเกิดความกำหนัดยินดีอยากจะได้พระรูปนี้มาเป็นภรรยาตนเพราะท่านงามไงไปคิดไม่ดีต่อพระรหัสก็ให้กระแสจิตที่ลามกทั้งหลายไปกระทบคุณของพระมหากระจียนะซึ่งมีคุณตั้งเป็นแสนแสนกลบโอ้โหเรียบร้อยเลย อัตภาพนั่นเองจากชายในรูปงามกลายเป็นหญิงทันทีเดี๋ยวนะี้ทั้งๆ ท, ที่ตนเองมีบุตรและมีภรรยาด้วยนะกลายเป็นหญิงทันทีแล้วเกิดความอายทันทีรีบหลบหนีไปเป็นลูกเศรษฐีด้วยตนเองก็เดินไปเรื่อยๆแ่้วเข้าแล้วเขาไม่กล้ากลับบ้านเลยเพราะตนเองอ้อมกลายเป็นหญิงเดียวนั้นเลยบัดดลด้วยเห็นไหมเพราะกรรมมันให้ผลเนี่ยทันทีเลยนะแล้วก็เดินตามก็มีมี ม, มีมีเกวียน มีเกวียนที่เศรษฐีเขาเขาเอาเกวียนมาค้าขายเนี่ยก็เดินตามไปไปเระสร็จพอสักพักหนึ่งคนที่นั่งบนเกวียนก็นึกว่าเออเนี่ยผู้หญิงคนนี้งามนะเราจะเอาไปให้นายเราก็เลยเชิญขึ้นมาในเกวียนแล้วเอาไปไปไปยกให้กันานายตนเองแล้วก็ไปอยู่กับอยู่กับผู้ชายเนี่ยตอนนั้นตนเองเป็นหญิงหมดแล้วใจก็เป็นหญิงแล้วและไปมีบุตรอีกสามคนเลยแล้วต่อมากรำนั้นมันหมดกําลังลงเนี่ย แล้วก็กลับกลายเป็นชายโอ้โหอนเนจอ น, นาตบาปรกรรมที่เกิดขึ้นกับตนเองต่อมาออกบวชได้บรรลุได้นี่ น, นี่ท่านแต่ท่านท่านหลุดพ้นไปแล้วน่ากลัวไหมล่ะนี่เพรเอินเพรเอินไปคิดไม่ดีกับพระอรหันต์แล้วท่านกําลังออกจากนี่โลทัสมาบัตด้วยแปลงวะเนี่ยเนี่ยกรรมกรรมชั่วเนี่ยอย่าทําเลยดีกว่าเนี่ย อันนี้อันนี้แค่คิดใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ไปบอกไปพูดเลยนะบอกเนี่ยพรลบว่าจะอยากจะได้มาเป็นภรรยาจริงๆิ้งเล ย, เ น, ยน้อมอย่างเนี้ยทำไมทาไมพระรูปนี้เนื้อเนื้ออย่างกระทองหรืองามจริงอะคือท่านงามมากอะ่ะต้อมาเข้าใจนะนี่งามมากต่อมานี่แหละแล้วต่อมาเนี่ยท่านก็ค่อนข้างที่เห็นโทษในรู ป, ปากายท่านท่านก็เลยอธิษฐานางไงคนก็เลยเอามาสร้างเป็นรูปลักหนึ่งเนี้ยเนี่ยสร้างรักษณ์ ที่จริงที่จริงกับสร้างกันไปไม่เป็นลักษณะนี้เราะคือท่านอธิษฐานร่วมของท่านให้ดูไม่งามแล้วก็อ้วนด้วยี้เลยกลายเป็นโทษให้กับวัสการาพราหมอีกมีวันหนึ่งท่านเดินลงมาจากภูเขาขี้กูดเนี่ยวัสกาลพรามีซึ่งเป็นอามตะของพระเจ้าพิพิสานเห็นอตอนนั้นท่านก็ออกจากนิโรธสมาบัติอีกวัสการาพรามเห็นตําหนีอีกโอ้พระนี่เหมือนลิงเลยนี่พูดนี่นะโอ้โห พระพุทธเจ้าก็บอกว่ากรรมที่วัสการาพามทำเนี่ยตายไปแล้วจะเกิดเป็นลิงหางโคนะอยู่ในป่าเวฬุวันนี่แหละเอวัสการาพามฟังแล้วเชื่อไม่เชื่อเชื่อไหมแกเชื่ อ, อ, แ, ตอแต่คนอย่างวัสการาพามแล้วเนี่ยเมื่อเห็นผิดแล้วเออเมื่อเห็นอย่างไรแล้วไม่เปลี่ยน ฉะนั้นคนเช่นเราเนี่ยถ้าไปเกิดเป็นลิงก็ต้องเป็นลิงเป็นลิงระดับหัวหน้าเราไม่กลัวอยู่แล้วแล้วก็สั่งกองกําลังทหารเลยจะเป็นผู้บังคับบัญชาจะทหารเนี่ยไหมก็สั่งกองกําลังทหารเอาต้นกล้วยไปปลูกไว้เต็มหมดเลยเนี่ยนะเต็มป่าไว้วันนี้เขาว่ากันจะเกิดเป็นลิงก็ไม่เป็นไรเชื่อไหมพุทธพจน์เชื่อพระเจ้าตรัสหนึ่งไม่มีสองใช่แต่ถ้าเราจะเป็นลิงเราก็เป็นระดับหัวหน้าอย่ากลัวอะไรเป็นลิงก็มีชีวิต เบลิงเราก็ฉลาดอยู่แล้วเขาบอกถ้าจะฉลาดอย่าฉลาดอย่างวาสการาพราม์